ข้อควรรู้ควรสังเกตคำสัพ์ธรรมะชุดอิทัปปัจยตาอันไปดูหลักธรรมนิยามชุดที่หนึ่งหลักนี้ถือกันว่าเป็นธรรมะระดับปัญญาที่เลึกซึ้งและยากยิ่งในวรรณกรรมหรือตามเอกสารที่สืบกันมานานในสังคมไทยดูเหมือนแทบไม่มีการกล่าวถึงหลักธรรมนี้แต่อย่าเพิ่งถือเป็นยุติ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 คงสืบจากการที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวาชิรยา น, นวโรรสทรงตั้งระบบการเรียนวิชานักธรรมขึ้นและทรงนิพน์คำอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทไว้ในหนังสือธรรมวิภาคปริเฉทที่สองซึ่งกำหนดเป็นหลักสูตรพระปริยัติธรรมสำหรับนักธรรมชั้นโทชื่อหลักธรรมนี้ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั้น พบมากทั้งในพระไตรปิฎกและอัธกถาดีกาเป็นต้นการที่รู้จักชื่อนี้กันมากจึงนับว่าสอดคล้องกันดีแต่ที่น่าสังเกตก็คืออิทัปปัจจะตาซึ่งเป็นคำหลักที่มากมาด้วยกันและนำหน้าปฏิจจสมุปบาทกลับดูเหมือนว่าไม่เคยเห็นไม่ได้ยินใครพูดถึงเหมือนจะเป็นเครื่องแสดงว่า ผู้เล่าเรียนในระบบการศึกษาที่เป็นอยู่นั้นไม่ได้ค้นคว้าขยายออกไปจากความรู้ในหนังสือที่เป็นแบบเรียนจนกระทั่งประมาณครึ่งศตวตรรษมานี้เองคำนี้จึงเริ่มเด่นขึ้นมาและเท่าที่นึกเท่าที่ทวนระลึกได้น่าจะเกิดจากการที่ท่านพุทธทาสพขิขุได้ยกหลักธรรมนี้ขึ้นมาสอนมาอธิบายอย่างจริงจังพร้อมทั้งยามชื่อที่เรียกว่าอิทัปปัจจตา คำว่าอิทธปัจยะตาปรากฏในพระไตรปิฎกในพุทธพจน์สองวาระคือครั้งแรกเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆทรงปราบรว่าธรรมะที่ตรัสรู้นั้นคนทั่วไปเข้าใจยากการที่จะทรงแสดงธรรมนั้นจึงเป็นความลำบากและอีกครั้งหนึ่งเมื่อทรงแสดงธรรมนิยามหลักที่หนึ่ง แต่ทั้งนี้ท่านเล่าไว้หลายแห่งนอกจากนั้นก็มาเฉพาะในคำว่าอิทัปปัจยาและอิทัปปัจยาตาปฏิจจะสมุ ป, ปันเนสุพึงสังเกตด้วยว่าคำว่าปัจจยาการะที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของปฏิจจะสมุปบาทซึ่งได้พิมพ์กำกับไว้ด้วย ในหนังสือแบบเรียนนักธรรมชั้นโทนั้นเป็นคำที่เกิดภายหลังไม่มีในคำพีที่เป็นหลักของพระสูตรแต่มาปรากฏขึ้นในอัปปทานอันเป็นคำภีสืบเนื่องที่จัดเข้าในพระสุตตันตปิฎกพบสองแห่งใกล้กันคือปัจจญาการากุศลาและปัจจญาการโกวิทาในหัวข้อและเรื่องเดียวกันคือในประวัติของพระเขมาเถรี พระอักรส า, าวิกาฝ่ายขวาซึ่งเป็นเอตัทธ ะ, ะทางปัญญาในพระวินัยปิดกแม้จะเล่าเหตุการณ์ในพุทธประวัติตั้งแต่สวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู้ใหม่ๆเริ่มด้วยการทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแต่ทั้งปิดกไม่ใช้คำว่าปัจจาัการเลย ในที่นี้บาลีว่าปัจจญาการะแต่อ่านเป็นไทยว่าปัจจญาการนะครับส่วนในพระอภิธรรมปิดกคาพีใหญ่ซึ่งมีบทที่ว่าด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยตรงคือวิพังทั้งที่อธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างยืดยาวประมาณ75หหน้าแต่ในเนื้อความที่อธิบายตลอดทั้งหมดไม่มีคาว่าปัจญการะเลย แม้แต่คำที่เรียกชื่อหลักโดยตรงว่าปฏิจจสมุปปาทาก็ไม่ปรากฏมีเพียงคำกล่าวถึงสภาวะธรรมที่เป็นปฏิจจสมุปป น, นะหรืออิทัปปัจยตาปฏิจจสมุปป น, นะมีแต่ชื่อบทหรือชื่อหัวข้อที่พระอาจารย์ผู้รวบรวมคำภีคือพระธรรมสังฆาอ า, าจารย์ตั้งใส่ให้ซึ่งก็ตั้งไม่เหมือนกัน คือฉบับสยามรัฐของไทยตั้งชื่อว่าปัจญการวิพังโคและฉบับัดทิสังคีติอักษรพมา่าตั้งชื่อว่าปฏิจจสมุปปาธวิพังโครวมแล้วในพระไตรปิฎกคำที่ใช้บ่อยใช้มากก็คือปฏิจจสมุปปาททั้งที่มาโด ด, โ ด, ด ละมาคู่กับอิทัปปจยตาทั้งนี้โดยมากมาในพระสูตรสำหรับในพระวินยัยมีน้อยแห่งเป็นธรรมดาส่วนในพระอภิธรรมมีกล่าวโดยตรงในคถาวัตถุเท่านั้นนอกนั้นกล่าวถึงในธรรมสังคณีเฉพาะในคำว่าปฏิจจสมุ ป, ปาทะกุสลตาและครั้งหนึ่งในทาตุกะถา ตอนท้ายมาติกาซึ่งมีลำดับธรรมะที่น่าสังเกตในคำพีชั้นอัฏฐกถาลงมาใช้มากทั้งคำว่าปฏิจจสมุปปาธะและคำว่าปัจญาการะส่วนอิทัปปัจยาตาก็กล่าวถึงแต่ไม่บ่อยนัก อีกข้อสังเกตหนึ่งคือสืบเนื่องจากคำคู่ว่าธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาที่เป็นชื่อของหลักธรรมนิยามนี้ได้เกิดคำศัพท์สำคัญที่พึงทราบชื่อหนึ่งคือธรรมทิติยานซึ่งมาในพุทธพจน์ว่าธรรมทิติยานังปุเพปัจชานิพาเนียนังธรรมทิติยานก่อน ธรรมะในนิพพานที่หลังหรือมีธรรมะทิฏฐิยานก่อนแล้วยานในนิพพานก็ตามมาพุทธพจนิตรัสแก่พระสุสีมะซึ่งเป็นปริพาโชคมาก่อนแล้วมาขอบวชในธรรมวินัยนี้โดยมีความเข้าใจผิดติดมาว่าผู้บรรลุธรรมสูงสุดคือเป็นพระอระหันต์คงต้องมีฤทธิ์หูทิพตาทิพเป็นต้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสข้อความนี้เพื่อให้เขาหายเข้าใจผิดแล้วรู้ให้ถูกต้องว่าพระอระหันต์ปัญญาวิมุตต์สำเร็จด้วยเกิดธรรมะทิติยานขึ้นแล้วก็มียานในนิพพานโดยไม่ต้องมีริ์เป็นต้นนั้นแต่อย่างใดธรรมะทิติยานแลตามตัวว่ายานในธรรมะทิติ ก็คือความยังรู้ธรรมนิยามนี้เองได้แก่เข้าใจชัดแจ้งในสภาวะธรรมแห่งคันทั้ง5ว่าเป็นอนิจจาทุกขาอนัตตาตลอดจนรู้อาการที่สังคต ธ, ธรรมเหล่านั้นเป็นเหตุปัจจัยกันไปให้เกิดผลตามกระบวนแห่งปฏิจจสมุป บ, บาทที่เป็นสมุทยวาระและจบลงด้วยรู้ความดับเหตุปัจจัยแห่งปฏิจจสมุป บ, บาทนั้นแจ้ง เป็นนิโรธวาระประจันนิพพานในที่สุดแม้ว่าธรรมะติยานตามพุทธพจน์ข้างต้นจะครอบคลุมความรู้แจ้งไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทจนจบนิโรธวาระแต่ในคำอธิบายที่ถือได้ว่ารวบรัดอย่างเรื่องยาน7จเจในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนี้เองคือเล่มที่16พระองค์ตรัสถึงหรือทรงเน้นเฉพาะปฏิจจสมุปบาท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 คือการกำหนดจับปัจจัยที่ต่อมานิยมเรียกว่าปัจจยะปริคหายานและในคำภีชันอัรถกถาลงมาท่านได้อธิบายหรือกล่าวถึงธรรมะทิฏฐิยา น, นี้ไม่น้อยทีเดียวเช่นว่าธรรมะทิฏฐิยานเป็นปัจจัยปริคหายานหรือปัจจยการยาน เป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิเรียกว่าเป็นยะถาภูตยานบ้างสัมมาทัศนะบ้างบางทีก็บอกสั้นๆว่าเป็นวิปาาัสสนาญาณบางว่าเป็นญาณอันถึงจุดยอดของการเห็นอิทัปปจยตาส่วนนิพพานยานังท่านว่าได้แก่มักคญาณ